ระชุมหาลือกันที่โรงพยาบาลสูงดอดรอีกหาเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสูงอีกเครื่องผาตัดหัวใจเปลี่ยนเส้นเลือดในหัวใจใเกี่ยวกับลิ้นหัวใจอันนี้ก็กำลังปรารบกันอยู่อันนี้ก็คงจะหลายๆลายคนช่วยกันนะจุดนี้อันนี้ลงพ่อก็เลยปรารบทางกรุงเทพเหมือนกันจะช่วย พี่น้องชาวอุดรโดยเด้อเข้าพรรษามาก็หลายวันสามสั ป, ปดาห์ก็จะว่าสามสั ป, ปดาห์วันพุ่งนี้ก็เป็นวันขึ้นแปดคำ่ำแล้วให้พวกเราทุกทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอย่าไปปล่อยปละละเลยในหน้าที่ที่พวกเราได้ตั้งใจเอาไว้ ที่พวกเราได้มาบวชตั้งใจอะไรหรือว่าตั้งใจความตั้งใจนั้นล่าถอยไปเรื่อยหรือเกือบจะล่มสลายไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่หรือไม่แต่ตามาจริงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมที่พวกเราเคยทำมาแล้วแต่ก่อนเก่าหน้านี้เราไม่ควรจะเอาเรื่องอย่างนั้นเข้ามาเป็น ขีดอีด ก, กันนึกว่าเป็นสิ่งที่อีดขวางในการประพฤติปฏิบัติของธรรมของเราเพราะสิ่งเหล่านั้นเราก็เคยคิดมาแล้วในเมื่อเป็นคราวัตเคยทํามาแล้วเมื่อเป็นคราวัตเคยพูดมาแล้วในเมื่อเป็นคราวัตแต่มาถึงจุดนี้เราจึงมาคิดมาคิดจะทําและมาคิดจะพูดในเรื่องเหล่านั้นอีกอยู่เหรอ เรามาตัดขาดในจุดนั้นออกไปไอ้ท้ายว่าเราก็มาศึกษาธรรมะเราก็ต้องเน้นหนักเรื่องที่จะเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพ่อแม่ปู่ปายการสอนอย่างไร เ, เราก็ได้อ่านทั้งหนังสือได้ฟังทางวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอย่างผมแนะนําให้พวกท่านทั้งหลายใส่ใจในการฟังข่ะพวกท่านทั้งหลาย ไม่ยินดีในการฟังพวกท่านจะฉลาดขึ้นมานั้นได้นั้นไม่มีทางพูดอย่างนั้นได้จะโง่อยู่ตลอดไปแต่ว่าพวกท่านใ่ในการศึกษาใยในการฟังพวกท่านจะได้รับความรู้ความฉลาดในการประพฤติปฏิบัติจะรู้จักวิธีการเดินสมาธิยังไงเดินปัญญาอย่างไรปฏิบัติตนให้ถูกต้องในศีลธรรมในศีลของสองร้อ พระอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรจรึงจะเป็นพระที่แท้จริงจึงจะเป็นพระที่สมบูรณ์แบบจะเป็นผู้เชื่อมั่นในตัวเองต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังทางบาพวกท่านทั้งหลายอยู่เป็นวันๆถ้าฟังเขามาแล้วก็เหมือนกับไม้จิ้มเข้าไปในหูปวดหูไปหมดงงไปหมดถ้าฟังธรรมะ ถ้าฟังเสียงร้องรำทำเพลงเสียงพูดคุยกันเรื่องไม่เป็นเรื่องสนุกสนานเพิดเพลนเฮฮาหูตั้งใจเหมือนตัวหูหมา้าฟังเสียงเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาพูดที่ไหนก็ไม่รู้ตัวเองหูตั้งใ่จ้องฟังแต่เอ า, าหูกีเลตมันเป็นอย่างนั้นถ้าหูทำแล้วก็ต้องฟังเสียงอัดเสียงทำ วางแล้วรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักนํามาประพุทธปฏิบัติปรับปรปุงกายวายจาจใจของเราจะทําอย่างไรเราอยู่ในสถานะอย่างนี้เรามาปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้นะเราจะปล่อยปะน่าเลยเหมือนกับเราเป็นฆราวาสอยู่ข้างนอกอย่างนั้นแต่มันถูกต้องหรือไม่นีอันนี้ก็ให้พยายามถามตนเองถ้าเราพยายามถามตนเองอยู่อย่างนั้นฟิตตนเองอยู่อย่างนั้นเนี หาใช้ปัญญาพิจารณาตัดกิเลสออกจากจิตใจของเราได้อยู่อย่างนั้นจากนั้นจิตใจของเราจะเป็นอิสระใจของเราจะเป็นอิสระในการทําการพูดจากท้ง อ, งอิสระในใจอพอเป็นอิสระแล้วก่อนเรารู้จักควรจะแบ่งปันยังไงควรจะจึดยังไงควรที่ปฏิบัติตนอย่างไรมันจะไม่เละตุ่มเป๊ะ เออเจะว่าโจกก็ไม่ใช่จะว่าข้าวต้มก็ไม่ใช่จะว่าอะไรก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นอะไรถถ้าเราไม่รู้จักจัดสรรให้ตัวเองมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเราจัดสรรตัวเองให้เป็นผู้มุ่งมั่นให้เป็นผู้ตั้งใจจริงในการประพฤติปฏิบัติถ้าเราจะภาวนาโชคไหนที่เราตั้งใจภาวนาเราก็ตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่ เดี๋ยวนั่งเนี่ยนะข้าพเจ้าจะไม่ให้จิตของข้าพเจ้าใจของข้าพเจ้าออกไปข้างนอกปุ่งปุ้งไปข้างนอกโดยเด็ดขาดด้วยความตั้งใจของเราใส่ใจของเราในเมื่อความตั้งใจในเมื่อใส่ใจเข้าไปแล้วความง่วงเหงาเเขวนอนมันก็มันก็ออกไปในระดับหนึ่ง เ, ออเหมือนกับเราจะนอนถ้าเราจะนอนเรากําหนดภาวนาพุโทโธพุมมันจะนอนไปหลับนะถ้าเราเข้มแข็ง เวลาเราจะนอนแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยปลวางวางวางๆไปมันก็หลับไปนี่ก็เหมือนกันเวลาเราร่างภาวนาเลยจะทำํำ <El> เพียงแต่ว่านั่งเฉยๆอย่างนั้นโดยที่ไม่มีความเข้มแข็งในตัวเองไม่ได้ตั้งใจให้เด็กหนักแน่นในตัวเองพอนั่งเฉยๆไ ป, ไปนั่นแหละปล่อยปล่อยวางๆางไปเดี๋ยวก็หลับนั่นแหละเพราะอะไรเพราะความใส่ใจของเรามอ่อนไปเพราะนั้นขอให้พวกเรา เวลานั่งภาวนาเราให้ใส่ใจตั้งสติคิดมาให้มเ ข, มข้มแข็งในขณะที่นั่งความง่วงเหงาหงนอนมันก็จะหมดไปในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจถึงขนาดนั้นนนี่แหละความง่วงมันจะเข้ามาอีกส่วนหนึ่งความขี้เกียจก็จะเข้ามาอีกส่วนหนึ่งอารมณ์ต่างๆมันก็จะมาหุง ม, มาตุ้มเข้ามาอีกไม่รู้เรื่องอะไรต่อเมื่ออะไรหงดหงิ ด, ดง่น ง, งานไปหมดเองก็เลยเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหมด จะเป็นโจ๊กก็ไม่ใช่จะเป็นข้าวต้มก็ไม่ใช่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นขึ้นมาอยู่ในนั้นมันบอกไม่ถูกเลยกันเะนี่ยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่กทานนะให้สังเกตดูอย่างที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดผิดไหมหรือถูกนะอย่าอย่าอย่าไปให้อย่าไปพูดว่าถูกทีเดียวนะอย่าว่าผิดทีเดียวให้สังเกตตัวเองให้พวกสังเกตในในการประพฤติปฏิบัติของเรานะ ปพปฏิบัติในตัวของเราเองสรุปแล้วก็คือให้เข้มแข็งให้มีตั้งสติให้เข้มแข็งเวลาจะนั่งภาวนาอย่าไปตั้งแบบอลอยๆถ้าตั้งแบบลดอยๆมันง่วงความง่วงก็จะเข้ามาเจียบตัวของเราแต่ถ้าเราตั้งเข้มแข็งขึ้นมาแล้วมันยังง่วงอยู่เอออันนั้นมันอาจจะปีเกี่ยวกับาธาตุขันเราต้องพิจารณาอีกไปอีกรอบหนึ่งเราอาจจะทานอาหารมากเกินไป เราอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าธาตุขันของร่างกายของเรามีอะไรผิดปกติไหมเราก็ต้องหาส่วนอื่นแต่เราส่วนอื่นเราก็เตรียมพร้อมมาแล้วแต่ว่ามันทําไมมันมันยังเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราขาดการใส่ใจขาดการตั้งสติตติของเราอ่อนเกินไปแต่เราจะตีเข้มแข็งแล้วทั้งหลายทั้งปวง ความห่วงทั้งหลายมันจะไม่ไม่มากํากลายมันเราได้นะสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราตั้งตั้งใจสังเกตนะในเมื่อภาวนากําหนดอะไรเป็นหลักจึดทางด้านจิตใจได้บอกได้กล่าวมาแล้วบริกรรมพุโทโธอันนี้คือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มันแต่เราจะจึดกรรมฐานไหนก็ไม่ขัดข้องแต่ข้อสําคัญให้ มีสติสัมปชัญญะในกรรมฐานนั้นๆให้เข้มแข็งจากนั้นก็ใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้เมื่อเราเข้มแข็งเรายึดกรรมฐานอันไหนเป็นหลักอย่างที่ผมเคยพูดอาจจะเป็นแมวตัวไหนก็ได้สีอะไรก็ได้ถ้าจับหนูได้แปลว่าได้ผลแปลว่าคุมของได้นี่ก็เหมือนกันกรรมฐานไหนก็ได้ ถ้าจับจิตใจให้อยู่จะเป็นเชือกเส้นไหนก็ได้ถ้าผูกจิตแล้วเชือกไม่ขาดแต่ม่ใช่ได้ถ้าจะเป็นเชือกวลวดจริงก็เถอะผูกๆมามัดแล้วมันขาดไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ชื่อว่าลวดจริงก็เถอะอแตมมม่มันไม่เหนียวมันไม่เหนียวมันไม่มั่นคงจะเป็นเชือกปอกล้วยก็เถอะ แต่มันมั่นคงเอ่อเพราะฉั้าให้มั่นคงในการยึดเป็นเชือกยึดเอสติกับจิตอยึดส ต, ติอารมณ์ต่างๆให้มาสู่จิตเอ่ออย่าไปให้มันคิดปุงฟุ้งไปออกไปข้างนอกเอ่อถ้ามัดไปแล้วมันไปอยู่เออละเหยไปเรื่อยลอยลมไปเรื่อยอันนั้นแปลว่าสติของเราอ่อนมากเอไปหรอกถ้าเป็นเชือกเป็นเชือกที่ เชื่อไม่มีคุณภาพเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านอะอันนี้คือวันนี้ให้นเน้นเรื่องสติสัมปชัญญะคือไม่ให้จิตใจปุงฟุงออกไปข้างนอกถ้าเราจิตใจของเราอยูอ่เป็นตัวห้องตัวจิตใจนิ่งสงบนั่นละ่ะเราจะเห็นคุณค่าของสมาธิท่านจากนั้นจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นขั้นตอนต่อไป เพราะเรามีความใส่ใจมีความตั้งอกตั้งใจมีความมุกมั่นมีความพยายามที่จะทำจิตใจให้สงบมันก็ไม่เหลือวิสัยเพราะเรามีความพยายามตั้งใจอนยะ่างที่ผมได้กล่าวแลวขอให้พวกเราทุกท่านนะสมาธิก่อนที่จะเป็นสมาธิได้ต้องสติต้องเข้มแข็งทาาสติอ่อนแล้ว สมาธิมันจะไม่เกิดพูดอย่างนั้นได้ก่อนที่สมาธิจะเกิดขึ้นมาได้นั้น เ, เราก็ต้องมีความพยายามมีความตั้งใจจริงอย่างที่ผมว่าเหมือนเวลาเดินจะโกมก็กกดีเวลาจะนั่งภาวนาก็าดีเราตั้งจิตอธิษฐานไปเลยข้าพเจ้าจะพยายามให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในขณะนี้ ในขณะที่ดั่งภาวนาในครั้งนี้ในการเดินจยกลมในครั้งนี้ในการอดอาหารในคราวนี้ให้เข้ามาตั้งจิตให้เป็นสัดส่วนสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราตัดออกที่เราเคยทํามาอย่างที่อย่างที่ว่าสมัยเป็นครวัตญาตโยมเราเคยปล่อยอยังไง ป, ปล่อยจิตปล่อยใจยังไงปล่อยในความคิดยังไงปล่อยในการกระทํายังไงปล่อยคําพูดออกไปยังไงเราจะไม่ทําอย่างนั้นอีก เ, เพราะเราเป็นพระ เรามาศึกษาเรามาปฏิบัติเราต้องเป็นตัวของตัวต้องให้เข้มแข็งนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายใส่ใจอย่างที่ผมพูดจากนั้นจิตของเราใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบนิ่งเป็นหนึ่งในเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นสมาธิดีแล้วนั่นแน่นหนามันคงเราเห็นคุณค่าของจิตสงบแล้วะจะนี่กับความหมั่นขยนันมันจะเกิดขึ้นเองถึงความหมันขยนันพอเห็นรถ ในการได้ริมรถสมาธิแล้วจากนั้นความขยันจะเกิดขึ้นเมื่อขยันเกิดขึ้นแล้วเอเราก็พยายามทำเรื่อยๆจนเป็นจนชานิชนานาญในการเข้าออกของสมาธิ เ, เมื่อเรารู้จักวิธีการสมาธิแล้วจะนั่งกันเดินปัญญาหรือขณะที่เราทำสมาธิพอเถอะเราจะเดินปัญญาพร้อมกันไปเลยก็ได้ไม่ผิดกติกา ส, สมาธิจิตใจให้สงบพอเป็นพื้นฐานจากนั้นก็เดินปัญญาเดินวิปัสสนาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นธาตุขันร่างกายสังขารเห็นเขาตายเห็นน้อมมหาตัวเองข้าจะตายเป็นไหมข้าจะตายเหมือนกับเขาไหมข้าจะเป็นกระดูกเหมือนกับเขาไหมข้าจะถูกเผาไฟเหมือนกับเขาไหมสิ่งเหล่านี้ให้เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในข้างนอกเราก็คิดไปถึงเขา แล้วก็มาคิดถึงเราถึงเราจะสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาอยู่อย่างนี้ก็เถอะแล้วใครจะตายก่อนกันใครจะไปก่อนเราจะไปก่อนหรือเขาจะไปก่อนหมู่พวกเพื่อนจะไปก่อนคือเราจะไปก่อนี่ถึงใครจะไปก่อนก็เถอะเขาต้องเอาไปเผาไฟทิ้งด้วยกันใช่ไหมถ้าเขาตายก่อนเราก็ไปเผาเขาถ้าเขาเราตายก่อนเขาก็มาเผาเราเออแล้วเป็นยังไง อันไหนที่เราได้อันไหนที่เราเสียถ้าเราทาใจไม่ดีใจของเราเสียศูนย์ใจของเราเยังไม่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลนะไม่แน่นอนเหมือนกันนะใจนะแต่ถ้าว่าใจของเรามั่นคงแข็งแรงได้มรรคได้ผลแล้วนั่นแหะจะอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะอตายอยู่ในเตาอบ ก, ก็ยังเย็นใจในตายแช่น้ำ ไปยังเย็นใจตายที่ไหนจะดีทั้งนั้นพระหันตายไม่เห็นจะเดือดร้อนแต่ปุจชนตายถึงจะตายอยู่ในพระอบทองคำก็เถอะแต่ยังเป็นกิเลสอยู่อย่างเก่าเพราะเหตุไรเพราะใจมันเป็นกิเลสอย่านั้นการตายของเราอยากไปให้ความหมายหลืให้ความหวังหรือให้ความสาคัญ กให้ความสําคัญตัว ใ, ใจของเราพ้นทุกในวัฏสงสารถึงแดนผนิพานหรืออยังถ้าใจของเราถึงผนิพานแล้วถึงจะอดถึงจะอิ่มถึงจะหิวถึงจะเจ็บจะตายยังไงเจ็บไข้ใจป่วยยังไงมันไม่รีตกกังวลทั้งนั้นเรื่องถาดเตียงขันมันเป็นได้ทุกอย่างเรื่องถาดเตียงขันเนีพระหานตายเสือกินก็มีอตกน้ําตายก็มีอะไรตายได้ทั้งนั้นนะเนี่ยเพราะบาปกรรมของท่านบิบากของท่านในอดีต มันพร้อมที่จะเป็นไปได้ทุกอย่างอย่างที่ตกครูบาอาจารย์ตกเครื่องบินเนะพราะตกไปแล้วท่านก็ยังกระดูกของท่านยังกลายเป็นพระธาตุให้ยังให้เห็นอยู่เพราะเหตุหะไรเป็นไปได้นะั้นอะันนะั้นคือวิบากกรรมในอดีตชาตินะเพื่ยเพือนทำไมบางทีท่านอาจจะ เห็ น, นกเป็ดบินอยู่ในอากาศเอาปืนลูกซองยิงปัง้งขึ้นไปนกเป็ดมันเด็กลงมาตกตกตายเอยงก็ได้เห็นใครจะไปรู้บาปกรรมของท่านในอดีตในท่านอาจจะทําอย่างนั้นก็ได้แต่เราเห็นเห็นเน่ยมันเป็นอย่างนั้นนกเป็ดบินเป็นฝูงขึ้นไปแล้วปืนลูกซองยิงปืนลูกแตกนกเป็ดล่วงลงมาเนี่ยตกลงพื้นดินนี่แหละครูบาอาจารย์พระมหาเทเหล่าเนี่ยท่านอาจจะขึ้น เครื่องบินไปแล้วนะมันอาจจะมีอะไรวิบากกรรมของท่านเนี่ยทำให้ท่านเครื่องบินของท่านตกลงมาเนะี่ยให้ท่านให้ท่านมรณะภาพไปเนะี่ยเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละกรรมเนี่ยกรรมในอดีตเป็นวิบากกรรมเนี่ยถ้าเราทำกรรมสิ่งไหนไว้กรรมนั่งจะให้ผลเอ่อยิงท่านได้มักได้ผลเท่าไหร่ท่านยิงไรด้รับวิบากกรรมทั้งหลายที่ทำไม่ไม่ดีไว้ในอดีต ชิงกันมาให้ผลแลื่งั้นแต่ทั้งวิบากกรรมก็ชิงมาให้ผลทั้งผลบุญผลกุศลที่ท่านได้ทําไว้ก็ชิงมาให้ผลอีกเหมือนกันต่างคนต่างวิบากชิงเข้ามาให้ผลเพราะเป็นแดนจุดท้ายของท่านแล้วท่านจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของท่านแล้วทั้งวิบากกรรมทางดีทั้งกรรมชั่วอนะชิงกันมาให้ผลนะท่นนี่นะ แต่ท่านก็ไม่เดือดไปร้อนเพราะท่านถึงแดนแล้วพ้นทุกแล้วไม่สะทกไม่สะทานไม่หวั่นไหวแล้วจะดีจะชั่วยังไงกับท่านรับได้ทักทุกสถานการณ์นะเพราะท่านไม่หวั่นไหวแล้วนะนี่แหละธรรมะที่ถึงขั้นสุดแล้วนะแปลว่าสแตนดาร์ดไม่ไม่หวั่นไหวกลวยแกล้กอมั่นคงนั่นนะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพยายามทําตามที่ พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเราเรื่องสมาธิต้องสติต้องมาก่อนต้องตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นคงไม่ามาทำกระทํำรอรอแลพอนั่งเข้าไปกตาปืออ้อสบงบกงกกันเพราะสติของเรามอ่อนดังนั้นขอให้ตั้งจิตให้เข้มแข็งแกร่งรับพร อ, อนุโมทนาให้พร